50 languages. การไปทาธุระ Kuch karm karna. Di Chan yaqai hong samud. Mai library j a n แม่คิทบุงคีดูข้าน์เมจานาากตหที่ฉันอยากไปแผงขายหนังสือพิมพม่ขโเคเปจานาตห์ที่ฉันอยากยืมหนังสือแม่คิทับ์คายป์รเตหี่ฉันอยากซื้อหนังสือแม่เอกิทบ์ริต้ ดิฉันอยากซื้อหนังสือพิมพ์แม่เอกอักษรซนากตดิฉันอยากไปห้องสมุดเพื่อจะไปยืมหนังสือแม่กิ๊บับเลนีลีรีเมจาอตดิฉันอยากไปร้านหนังสือเพื่อจะไปซื้อหนังสือแม่กิ๊บับซอนังสือคิบุ้มคุ้มค ดิฉันอยากไปแผงขายหนังสือเพื่อจะซื้อหนังสือพิมพ์แม่ข่าว र ख ้อหนังสือพิมพ์เพื่อจะซื้อหนังพิฉันอยากไปร้านแม่ข่าวซื้อหนังสือพิมพ์เพื่อจะซื้อหนังสือพิมพ์แม่าวซื้อหนังสือพิมพ์เพื่อจะซืนอยากไปซืเปอร์มารซื้อม์เพื่อจะซื้อหนังสือพิมพ์แม่ข่าวซื้ ดิฉันอยากไปร้านขายขนมปังไม่เบเกอรี่จ ا ن ากต้าดิฉันอยากซื้อแว่นตาไม่เอ็คชั้ชมาขไรดนจาจ้าตดิฉันอยากซื้อผลไม้และผักไม่ผลหรือซับซีขไรดนจาจ้าตหดิฉันอยากซื้อขนมปังม่ บิน اور ้น र ล, ละเบรดซื้อไม่ได้ฉันอยากไปร้านแว่นตาเพืฉันอยากไปร้านแว่นตาเพื่อจะซื้อแว่นตาฉัอกไปร้านแว่นตาเพื่อจะซื้อแว่นตาฉันอยากไปร้านแว่นตาเพื่อจะซื้อแว่นตาฉันอยากไปร้านแว่นตาฉันอยากไปซ้เปอร์มาฉักตเพื่อจะซื้อผลไม้แลาะ सुपरमार्केट म ेร์ ल और सब्जी खरीदने के लिए जाना चाहता ह ूอดิฉันอยากไปร้านเบเกอรี่เพื่อจะซื้อขนมปัง मैं बेकरी में बिन ิน ब्रेड खरीदने के लिए जाना चाहता ह ूร मैं बेकरी में बिन और ब्रेड อ ब น रोटी खरीदने के लिए जाना चाहता ह ूด